ไปถึงฟังฝันที่ฉันมุ่งหวังนังใจต้องการเป็นความภาคภูจากรู้ว่าม่วงเหลืองแก้วสู่ความรุ่งเรืองทั่วกันดำคูมต้นตอสู่แดด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 สัทธาบัน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 ด้วยคุณธรรมนาา้นอมนําสู่การศึกษาสิบนิ้วก้มลงวันธาสัทธาบันสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เปิดเครื่อง รับฟังอยู่ทางบ้านนะครับทันโลกทันเหตุการณ์กลับมาพบกับทันผู้ฟังเช่นเคยนำเรื่องราวที่น่าสนใจมาพูดมาคุยกันการแข่งขันม o ต GP จีพีนะครับนะที่บุรีรนะัม์ลก็เสร็จสิ้นกันไปแล้วนะครับก็ประสบความสำเร็จด้วย ด, วยดีมีผู้ชมนับแสนคนนะครับซึ่งก็เข้ามา ชมเกี่ยวกับเรื่องของการแข่งขัน m o เต g p นะครับซึ่งเป็นระดับโลกนะก็ทำให้ในส่วนของประเทศไทยแล้วก็บุรีรัมณีก็เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติแนะครับเพราะว่าก็จะมีการหมุนเวียนกันไปแข่งในแต่ละประเทศนะครับนะในแต่ละประเทศแล้วก็มีผู้ชมนะทางนะไหนสนามแล้วก็ชมทางผ่านทีวีดาวเทียมกันทั่วโลกนะหลายล้านคนแครับนะก็เป็นการ เผยแพร่ชื่อเสียงนะต้นการท่องเที่ยวนะเศรษฐกิจต่างๆกนะ็มีการมาท่องเที่ยวนะท่องเที่ยวมาจับจ่ายใช้สอยเศรษฐกิจก็หมุนเวียนแนะครับนะก็เป็นส่งผลดีนะครับกับในส่วนของนะบุรีรัมย์แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับนะสำหรับการแข่งขันมูโตจีพีมีข่าวที่น่าสนใจนะครับนะที่ตอนนี้กาลังรณรงค์กันเกี่ยวกับเรื่อง องการแบนใช้าสารพิษนะครับนะในส่วนของวัตถุอันตรายเนี่ยนะครับก็มีการทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะออกมาขับเคลื่อนกันนะครับทั้ง2ฝ่ายนะครับแล้วก็ตอนนี้นี่ก็อย่างที่บอกแล้วครับในส่วนของเจ้ากระทรวงทั้งสาธารณสุขนะครับทั้งในส่วนอุตสาหกรรมกรเกษตรก็ป ร, ประกาศชัดว่าจะมีการแบนสารพิษดังกล่าวนะครับนะในที่ใช้ในทางด้าน การเกษตรนะครับนะก็ก็คือพาราคอร์ตนะครับนะก็มีกลุ่มสารพิษนะครับในกลุ่มนั้นนะครับนะซึ่งตรงนี้นี่ก็ในส่วนของนายวิทูลเลี่ยนจมุมลูลผู้มยการมู ล, ลนิธิชีววิถีนะครับนะซึ่งก็เป็นกลุ่มที่ต้องการที่จะเรียกร้องให้แบนสารพิษนะก็บอกว่าขอเรียกร้องให้รัฐบาล กระทรวงเกษตรร่วมกันสนับสนุนนะครับให้เกษตรกรประมาณ4 0 0แสนรายปรับตัวเข้าสู่กันปลูกพืชที่ไม่ต้องพึ่งพาสารสารพิษนะครับหรือว่าแบนสารกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง3ชนิดก็คือพาราควดคอไพริฟอดแล้วก็ไกลโฟเศสตซึ่งยืดเยื้อกันมาหลายปีนะครับแล้วก็ ซึ่งตรงนี้นี่ก็เป็นผลกระทบของทั้งสามสารนี่ก็เป็นที่ประจักษ์นะครับดนาะว่าสุขภาพนะของผู้ใช้เกษตรก ร, กรที่ใช้นี่ก็เป็นอันตรายนะครับถึงแก่ชีวิตในส่วนของโรงพยาบาลหลายแห่งเนี่ยก็ขึ้นไปคัดค้านสารพิษเพราะว่าผู้ป่วยจํานวนมากนะครับมาที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็เรียกร้องกันกันไปนะครับแล้วก็ยังนอกจากนี้ยังเรียกร้อง ให้ในส่วนของการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่มีนายสุริยะจึงรุงเรืองกิตรัมตรีอุตสาหกรรมเป็นประธานในวันที่27ตุลาฯ อ, อยากเรียกเราให้มีการโหวตอย่างเปิดเผยแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็ขอให้รัฐบาลผลักดันพรบกรเกษตรกรรมยั่งยืนนะก็คงจะเน้นการทำกรเกษตรที่ที่ยั่งยืนก็คือใช้ปุ๋ยธรรมชาติหรืออาจจะใช้เป็นกเกษตรอินทรีย์ เป็นหลักนะครับนะเพราะในตรงนี้นี่ก็เป็นความคิดเห็นส่วนนางวอนิกานาควัชระนะครับซึ่งเป็นผู้ในการบริหารสมาคมค้านวัตถุ ก, กรรมเพื่อการเกษตรไทยนะแล้วก็เป็นผู้ประสานงานสมาคมที่ค้านะวัตกรรมนะครับแต่ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของอการเกษตรของไทยเราเนี่ยนะครับก็มีการ นำหนังสือยื่นถึงพลเอกประยุทธ์นะครับคนะัดค้านการดาเนิน ง, งานขอ ง, ของกระทรวงเกษตรนะครับนะพนเพราะฉะนั้นก็อยากให้ยกเลิกสารพิษดังกล่าวนะครับก็มีการยื่นนะครับยื่นกันแล้วก็มีฝ่ายที่สนับสนุนการใช้สารเคมีทั้ง3ตัวนะครับนะซึ่งก็ไปที่กระทรวงเกษตรเหมือนกันนะครับในวันที่9กุลธาคมมีนายมนัท พุทธลัตประธานสมาพันธ์ชาวสวนปาล์มเนี่ยก็บอกว่าเกษตรก ร, ร, กรยังต้องใช้สารดังกล่าวอยู่นะครับเพราะว่าราคาถูกนะครับราคาถูกนะครับเพราะฉะนั้นนี่ตรงนี้นี่ก็ก็คงจ ะ, ะให้ในส่วนของกเกษตรกรเนี่ยนะก็จะมาใชนะ้สารดังกล่าวอยากให้มีการ อ, อารุ่มารวยนะครับตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ตรงนี้นี่ก็คงจะ ต้องฟังทั้ง2 ส, ส่วนแต่อย่างไรก็แล้วแต่นี่รัฐมนตรีกรเกษตรนี่ก็ไม่ได้มาพบกับในส่วนของทั้งผู้สนับสนุนผู้คัดค้านทั้งสองรายนะครับเพราะว่าไม่สบายนะครับก็ได้ให้ในายหลงกรณ์พลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีกรเกษตรมารับเรื่องแทนของทั้งคู่เลยนะครับนะเพราะนี้ตกไปเป็นความเคลื่อนไหวในส่วนของกระทรวงกรเกษตรนะครับกระทรวงเกษตรส่วน ที่สาธารณสุขนะกระทรวงสาธารณสุขในอนุทินชาญวีดกุลรองนายรัมตรีและดมตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสาธารณสุขแล้วก็อันะตรีช่วยนะครับรวมทั้งอธนะิบดีทุกกรมมีการประชุมร่วมกันนะครับประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับซึ่งเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการแบนสารเคมีอันตรายสชนิดนะร่วมกับในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแล้วก็พุ่มในการ โรงพยาบาลทั่วประเทศซึ่งนายดิษฐินก็บอกว่าการขึ้นป้ายแบนสารเคมีตามโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศก็ตรงนี้นี่ก็คงจะให้ร่วมรณลงกันนะครับเพื่อที่จะให้สารพิษนี่ไม่กระทบต่อประชาชนนะครับนะซึ่งตรงนี้นี่ก็มีการพูดคุยกันแล้วก็นายดิินก็กล่าวว่าครั้งนี้ก็เป็นปรากฏการในการแสดงความสามัคคีของ บุคลากรในกระทรวงสาธารณสุขที่เห็นอันตรายที่จะเกิดกับผู้ป่วยนะครับเพราะว่าสารเคมี3ตัวนีก็ค่อนข้างที่จะส่งผลกระทบนะซึ่งตรงนี้นี่ก็ยังยืนยันว่าในส่วนของโทวแทนสาธารณสุขก็จะไม่จ ะ, จะปฏิเสธสารเคมีเหล่านี้ส่วนทางด้านศาสตราจารย์นายแพทย์ธิราวัฒน์เหมจุธาอาจารย์คณะแพทยศาสตร์จุฬาที่ปรึกษาทตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่ามี หลักฐานประจักษ์ชัดเจนว่าสารสารเคมีทั้งสามชนิดมีผลต่อการเกิดโรคเนื้อเน่ามะเร็งและพาคินสันนะครับทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งก็มีผู้ป่วยในเสียชีวิตจำนวนมากนะครับเพราะฉะนี้ตรงนี้นี่ก็จากการตรวจเลือดของประชาชนในเขตจังหวัดนครรีชรีมาก็พบผลเลือดประชาชนร้อยลมีสารเคมีปนอยู่ เราะฉะนั้นตรงนี้ก็น่าเป็นห่วงเพราะนั่นี่ก็อยากจะเรียกร้องให้มีการยกเลิกสารเคมีดังกล่าวนะครับนในส่วนของคุณหมอธิราวัตรก็กล่าวว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็บอกว่าสารเคมีอันตราย3ามชนิดก็จะส่งผลกระทบต่อหญิงตั้งครรภ์นนเพราะว่าจากข้อมูลทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศก็สอดคล้องกันว่าหญิงตั้งครรภ์ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ การเกษตรก็ต่างได้รับสารพาะคอดในปริมาณที่ต่างกันซึ่งก็มีจะสารเคมีชนิดนี้จะมีผลต่อทารกใน ค, นนครรภ์และกระทบต่อพัฒนาการด้านร่างกายนะครับวันนี้ตรงนี้นี่ก็มีผลกระทบมากพอสมควรแล้วครับแต่ตอนน้ตรงนี้นี่ก็เป็นเรื่องที่มีการรดันลงก็ต้องดูะครับวันที่27ตุลาคมจะมีการ ประชุมคณะกรรมาการวัตถุทลายนะครับจะจะเป็นอย่างไรนะครับนะก็ต้องดูทางทางเหตุผลของทั้งทั้งสงฝ่ายแหละตอนนี้เนี่ยมีทั้งกลุ่มที่หนุนกลุ่มที่ค้านนะครับนะแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยก็การรล้นน้ำลงของกลุ่มที่คัดค้านนี่ค่อนข้างที่จะกว้างขวางนะฮะสังในส่วนของสื่อมวลชนกระแสหลักแล้วก็ในส่วนของโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งตรงนี้คงฝ่ายการเมืองนี่คงจะต้อง พิจารณาคงจะต้องดูมารับฟังเพลงก่อนนะครับก่อนที่จะมาพูดมาคุยกันต่อครับเมื่อเขาคนนั้นไม่มาใส่ใจ เธอจึงต้องใช้ฉันเพื่อต่อรองเมื่อใดที่เธอเรียกหาก็มาตามคำเรียกร้องรู้หรือเปล่าว่ามันรักเธอเพียงใดนึกจะมาเธอก็มาถึงเวลาเธอก็ไป ไม่เคยแค่จิตใจห่วงใยมันเลย เราต้องคืนกลับมาก็มีแต่คนอย่างฉันที่คอยเฝ้าเช็ดน้ำตารู้หรือเปล่าว่ามันช้าใจเพียงใดนึกจะมาเธอก็มาถึงเวลาเธอก็ไป ไม่เคยแค่จิตใจห่วงใดมันเลย พูดมาคุยกันต่อวันที่ 17-18 ตุลาคมนี้นะครับเกิในส่วนของพรร่างพรบ ง, งบประมาณรายจ่ายประจำปีสองพของรัฐบาลก็จะเข้าสู่ที่ประชุมสภานะครับซึ่งก็จะเห็นการอภิปรายของทั้งสองฝ่ายนะครับฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนะครับก็ก็ต้องดูนะครับนะอาจจะมีการชํำระงบประมาณ การลายกระทรวงเราก็จะได้ข้อมูลความรู้นะครับเพราะว่ารัฐบาลนี่ต้องต้องเสนองบต่อสภาแล้วให้สภาเห็นชอบนะครับถึงจะบริหารประเทศได้นะครับนเป็นไปตามระบบการทวงดุลตามระบบประชาธิปไตยนะมีการทวงดุลกันนะเพราะฉะนั้นในตรง น, นี้นี่ในส่วนของรองนายกวิศนุได้ไดพูดพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการ บวชเกี่ยวกับเรื่องงบเป็นงบประมาณนะครับมีการให้สัมภาษณ์ก็บอกว่าในส่วนของรัฐมนตรีในมีสิทธิ์ที่จะบวชงบประมาณได้นะครับในส่วนของรายจ่ายประจําปีนะครับเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานบริหารของตนเองก็สามารถที่จะเอาเสียงมารวมเพราะว่ารัฐบาลนีใอยู่ในี้สาภาวะเสียงปิ่มน้ํานะครับเสียงปิ่มน้ําก็ต้องอาจจะต้องให้รัฐมนตรีมาร่วมบวช ด, ด้วยนะครับแล้วก็ได้ได้ตอบคาถามผู้สื่อ ข, ข่าวว่าถ้า เกิดว่าในส่วนของร่างพรบรไม่ผ่านสภานี่ก็เป็นรัฐบาลก็มีทางออกอยู่2 อ, อย่างก็คือไม่ยุบสภาก็ต้องลาออกเพราะเป็นไปตามระบบประชาธิปไตยนะที่หลายๆประเทศก็ทำกันเพราะในตรงนี้นี่คงจะต้องดูเกี่ยวกับเรื่องของการพิจารณาร่างรัฐ ม, ามานตรีนะครับนะหลายจ่ายกับประจําปี2อ6 3นะครับว่าเป็นอย่างไรกันกันบ้างนะครับในส่วนของพลเอกประวิตย์ นะครับในส่วนของพลเอกประวิทยรองเนื้อเีก็บอกว่าจริงๆแล้วก็ฝ่ายค้านอาจจะมีการอภิปรายลงุงงบประมาณนี่รัฐบาลก็ไม่ได้หนักใจนะครับโดยเฉพาะงบประมาณอกองทัพนะเพราะวปฏิพันธ์มาได้น้อยนะครจะต้องมีการพัฒนากองทัพในหลายๆส่วนนะครับนะเพราะนั้นลเประวิตยก็บอกว่าก็ไม่ได้หนักใจอะไรนะครับนะก็เปิดให้มีการอภิปรายกันอย่างเต็มที่นะครับนะเพราะนตรงนี้นี่คงจะต้อง ดูนะครับนะ ว, ว่าเป็นอย่างไรกันนะครับในส่วนของพักฝ่ายค้านนะครับนายสมพงษ์อมรวิวัตรซึ่งเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยก็บอกนะว่าในส่วนของกำชับให้สอสนะครับในส่วนของเพื่อไทยเนี่ยก็เข้าร่วมประชุมนะครับอย่างเต็มที่นะครับไม่ให้ขาดแม่ลาเพราะว่าจะได้มีการตรวจสอบการทำงานนะของของรัฐบาล นะครับนะว่าจะนะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ส่วนคุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์ประทันยุทธศาสตรพ์พรรคเพื่อไทยก็บอกว่าการเตรียมพร้อมมาพิปลายก็บอกว่าการจัดสรรงบประมาณของของรัฐบาลนี่ก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์เกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องความยากจนนะครับยากจนแล้วก็มีงบลงทุนก็มีน้อยประมาณร้อยละนะก็ยัง อย่างยังกังวลอยู่เกี่ยวเรื่องของการจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องนะครับซึ่งตัวเลขงบประมาณ 3.2 ด ล, ล้านล้านบาทนะก็เพิ่มขึ้นประมาณ2 0แสนล้านเพราะว่าร7 0ละเเป็นการเพิ่มงบไปในส่วนที่ไม่ได้สร้างไรายได้ใหม่นะครับก็จะต้องมีการทวงติ่งชี้แจงนะครับิปรายกันไปนเป็ น, นความเห็นของในส่วนของของฝ่ายค้านนะครับว่าเกี่ยวกับเรื่องของการ อภิปรายเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณคงจะต้องดูวันที่1 7บ8จ็ละครับนะว่าจะมีการอภิปรายกันกันอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณนะครับส่วนทางด้านเศรษฐกิจในในช่วงนี้นะเกี่ยวกับเรื่องเกิดสงครามการค้าระหว่างจีนสหรัฐนะจะกระทบถึงไทยหรื อ, รอไม่เนี่ยตรง น, น, น, น, นี้นี่ก็ปรากฏว่ า, าเกี่ยวกับเรื่องของ ในส่วนกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะในส่วนของข้อมูลในภาครัฐก็วิเคราะห์ว่าสงครามการค้าระหว่างจีนสหรัฐเนี่ยก็ในส่วนนี้ในไทยเรามีส่วนแบ่งตลาดของทั้งจีนของสหรัฐเนี่ยเรามีส่วนแบ่งเพิ่มขึ้นนะนี่จากการเปิดเผยของกระทรวงพาณิชย์นะครับนะเพราะฉะนั้ น, นตรงนี้นี่มีการสรุปว่าเราสามารถที่จ ะ, ะส่งออกเนี่ยไทยเรายังรักษา ส่วนแบ่งตลาดทั้งในสารัฐและในจีนได้นะเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งซึ่งส่วนแบ่งตลาดลดลงนะก็แสดงว่าไทยเรายังยังสามารถที่จะรักษาส่วนแบ่งได้แล้วก็ตรงนี้ในสัดส่วนในช่วงหกเดือนแรกของปี2011นะตอนนี้นี่ก็ถึง62นี่เราก็มีส่วนแบ่งตลาดในสหรัฐในแคนาดาเยอรมันนะครับมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปิน นะครับซึ่งตรงนี้นี่ก็สามารถที่จะรักษาส่วนแบ่งได้นะเพิ่มขึ้นเป็น 1.31% มนะรนะมีการชี้แจงไปแล้วก็ในส่วนของนะการส่งออกไปตลาดสหรัฐและตลาดจีนนะครับภายใต้มาตรการตอบโต้ที่สหรัฐขึ้นภาษีจีนประมาณ2 อ, องส0 0 0 0ล้านเหนรียญสหรัฐเนี่ยแล้วก็จีนก็ตอบโต้สหรัฐประมาณมูลค่าประมาณ 1,000 0 หนึ่งหมืนล้านเหรียญ น, นะซึ่งมีคนบรงครับใช้แล้วปรากฏว่าสินค้าไทยส่งออกไปนในตลาดจีนในตลาดสหรัฐเนี่ยนะก็เพิ่มมากขึ้นนะครับบอกว่างานอย่างเช่นปลาดินแช่แข็งหรือว่าพวกปลาหมึกอะไรต่างๆนะครับเพราะในตรงนี้นี่ก็ในสหรัฐนี่หันมานําเข้าจากไทยเราบ้างนะครับเพราะในั้นตรงนี้นี่คงจะต้องดูในระยะยาวแหะครับว่าจะว่าจะกระทบหรือไม่นะครับนะเพราะว่ากัน ที่ประเทศใหญ่ตอบโต้นะส่งสินค้าขึ้นภาษีละต่างๆนี่หลายหลายฝ่ายเนี่ยอาจจะหันมาพึ่งสินค้าจากประเทศเล็กๆนะฮะอย่างอย่างไทยอย่างอาเซียนอย่างอะไรต่างๆนี่ไปไปทดแทนนะโดยเฉพาะในส่วนของสหรัฐก็ดีหร้วในส่วนของจีนนะแต่ว่าถ้าเป็นอาการที่ทำสงครามยืดเยื้อในระยะยาวเนี่ย จ, จะจะกระทบเหมือนกันตนะัวเลขเกี่ยวกับเรื่องของกันส่งออก พวกรถยนต์พวกสินค้าส่งออกต่างๆที่จะส่งไปยังประเทศต่างๆอาจจะมีผลนะกระทบนะเพราะในตรงนี้นี่คงจะต้องมีการศึกษาดีๆนะครับโดยเฉพาะนะเกี่ยวกับเรื่องของการการท่องเที่ยวนี่นะครับนะีกรณีที่คนะ่าเงินบาทแข็งตัวนะค่อนข้างที่จะสูงนะครับนะเป็นสามสิบบาทต่อดอลลาร์สหรัฐนี่ค่าเงินบาทที่แข็งตัวก็จะทําให้ จานวนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวอย่างประเทศไทยเรานี่ลดลงนะเพราะว่าเงินของเขาเนี่ยมีค่าลดลงนะเขาก็จะจะหันไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นเวียดนามกัมพูชาหรือแถวพมา่าแถวแถบรอบรอบเรานะครับเนะพราะซึ่งตรงนี้นี่กรณีเงินบาทแข็งนี่ก็เป็นอุปสรรคนะครับแล้วก็การส่งออกก็อาจจะส่งออกได้ได้น้อยนะครับเพราะในตรงนี้นี่คงจะต้องจะต้อง แก้ไขกันกันโดยด่วนนะครับนะเกี่ยวกับเรื่องของค่าเงินบาทที่แข็งตัวขึ้นไปนะครับเนระเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มีมาตรการหลายๆอย่างที่รัฐออกมาใช้ในช่วงนี้นะครับนะที่จะอาจเม็ดเงินลงมาสู่ในระดับฐานรากนะครับน ะ, ะมีโครงการส่งเสริมการไปช้อปปิ้งข้ามจังหวัดก็ดีหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของบัตรสวัสดิการคนจนหรือเกี่ยวกับเรื่องของเงินต่างๆ นะที่พยายามที่จะลงมาเนี่ยก็จะเป็นการกระตุ้นให้เศรษฐกิจในระดับฐานรากนิ่หมุนเวียนนะครับซึ่งตรงนี้นี่คงจะต้องดูในมาตรการเหล่านี้ว่าจะเกิดผหลหรือไม่นะเพราะเศรษฐกิจนะค่อนข้างที่จะหนักนะราคาผลิตผลทางกา ร, กรเกษตรนี่ก็ยังยั ง, ย, งยังต่ําอยู่ทําอย่างไรที่จะยกระดับให้ให้สูงขึ้นก็เป็นโจทย์ที่ต้องช่วยๆกันสํำหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการของเรามาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วชีวิตจะสั้นเพราะควันบุหรี่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 Baang nang lap mo. Biệt bay nam đan liêng cầm ôm ba. Giác nam nai krong thung thung na. Giác đan đ i